เราเป็นนักบวชเป็นผู้เปืืองภาระความกังวลทุกอย่างโดยสิ้นเชิงไม่มีความเกี่ยวข้องกังวลกับอิจฉราวาตเจ้าเรือนซึ่งโ ล, โลกทําทำกันอยู่มุง่งหนาเฉพาะการปฏิบัติตนให้เป็นไปได้ความเรียบร้อยสม่ำเสมอ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 และที่ได้สัมเนียศึกษาจากครูอาจารย์หรือหมู่เพื่อนที่เห็นว่าควรจะถือเอาอได้ตั้งหน้าดำเนินไม่เกอนกระจากทางเดินของพระหรือทางดำเนินของพระนี่เป็นหลักสำคัญสำหรับนัก บ, บวชเรา การไปการอยู่การทำการพูดการคิดทุกดันร์ยานำความอยากเข้ามาให้เป็นผู้นำทางแต่โปรดได้นำธรรมะเข้ามาเป็นหลักใจคือเข็มทิดทางเดินของการกระทาการพูดการคิดทุกดักร การไปการมาให้มีหลักธรรมะเป็นเครื่องพิสูจน์เรียบร้อยแล้วค่อยดำเนินตามหลักธรรมะจะชื่อว่าเป็นผู้มีความราบรื่นและสม่ำเสมอทั้งอยู่ทั้งไปทั้งความเคลื่อนไหวทุกๆอากาศอยากไม่มีสิ่งใดนอกเหนือไปจากธรรมะ ซึ่งเป็นเครื่องรับรองมาแต่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าว่าจะไม่สามารถยังผู้ดำเนินตามให้ถึงความพ้นทุกข์ได้เป็นตำหนับท่านนักปฏิบัติโปรดพินิจพิการณาในหลักธรรมที่กล่าวเหล่านี้ให้มากยาได้นำความอยากเข้ามาเป็นครูอาจารย์จะกลายเป็นข้าศึก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 ติดใจของเราจริงๆไม่เคลื่อนคลาดเป็นผู้ไกลครองเรียบร้อยแล้วค่อยเคลื่อนไว้ไปมาทำพูดในกรณีที่ควรนี่คือว่าเป็นผู้มีสุขะโตอยู่ตลอดอียุหมด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 แต่อย่าดูเพื่ออย่าดูอย่าฟังอยากไปเกี่ยวข้องเพื่อเป็นการส่งเสริมสิ่งที่เคยพอกพูนอยู่ภายในหัวใจซึ่งเคยเป็นผู้นำทางมาแล้วเป็นเวลานานจะไม่มีสิ่งใดเป็นสิริงมงคลติดใจติดกายวาจาของเราผู้เป็นนักบวชซึ่งมุ่ง ทำอย่างนิ่งนักบวชต้องเป็นผู้หนักแน่นมีเหตุมีผลอย่าเป็นคนมิสัยวอกแวกก้อนแคลนอยู่ที่นี่ไม่สบายคิดว่าไปที่โน่นจะสบายไปอยู่ที่โน่นที่นั่นไม่สบาย คิดว่าไปที่นู่นจะสบายมีล้วนแล้วตั้งแต่ปล่อยใจให้เป็นไปตามทางเดินของธรรมอันลามกที่เคยกระซิบจิตใจอยู่เสมอผู้มีความหนักแน่นต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาเห็นเหตุผลที่สมควรแก่กันแล้วจะยากลำบาก ขนาดไหนไม่ถือเป็นปัญหาสำคัญแต่จะถือว่างานที่ทตนได้พิจารณาซึ่งเห็นว่าชอบทำแล้วนั้นอย่างไรจะต้องสำเร็จขึ้นด้วยความสามารถของตนโดยแท้นี่คือนักบวชที่ตามเสด็จกระพุทธเจ้าโดยแท้จริงนักพระธรรมวินัยที่สั่งสอนไว้อย่างไร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 บททุกทุกบาทมาจากที่ต่างๆคือจากครูจากอาจารย์จากตำหนักตำหลาล้วนแล้วตั้งแต่เป็นพระโอวาทที่ชอบธรรมซึ่งได้รับถ่ายทอดมาจากพระพุทธเจ้าประหนึ่งว่าพระองค์ท่านทรงพระเมตตาประทานไว้เฉพาะนาสำหรับเราทุกทุกท่านโปรดอย่าเห็นพระธรรมวินัย นอกไปจากองค์ของศาสนาพระ ร, รมวินัยนั้นแลคือองค์ศาสนาแท้รูปร่างเหมือนอย่างท่านๆเราๆพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านก็มีอันนั้นเป็นประเภทหนึ่งแต่ก็ไม่ในหมายว่าไม่เข้ารบนั่นก็เป็น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 ธรรมชาติที่เป็นความบริสุทธิ์อันยิ่งหมายถึงความพระไถยของพระองค์ท่านไม่มีสมมุติเป็นเครื่องช้คือปล่อยวางสมมุติเครื่องช้ที่เคยประกาศให้โลกได้เห็นได้ยินโดยสิ้นเชิงได้แก่ขันทั้งหักทั้งเหลือแต่ความบริสุทธิ์ต้นล้วนไม่สามารถจะทำหน้าที่ โดยความบริสุทธิ์เชียอเองเพื่อประกาศสอนโลกได้เมื่อเป็นเป็นเช่นนั้นพวกเราจรึงเข้าใจว่าพระพุทธเจ้านิพพานแล้วหายสูญไปแท้จริงความบริสุทธิ์ไม่มีส่วนใดที่จะขาดสูญไปให้โลกได้หมดความหมายในพระพุทธเจ้าถ้าทมคือหลักความจริงก็ไม่มีแง่ใด หรือส่วนใดจะสลายตัวไปเช่นเดียวกับธาตุันอันเป็นส่วนสมมตุติพอที่ผู้ปฏิบัติจะหมดหวังในการปฏิบัติธรรมะแล้วไม่มีผลเนื่องจากธรรมได้สลายไปแล้วตามพระพุทธเจ้าความจริงแล้วพุทธะคือความบริสุทธ์แม้จะไม่มีเครื่องสมมุติ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 นี่ธรรมชาตินี้ไม่มีการเสื่อมสู์ไปตามสิ่งสมมตินิยมของโลกซึ่งอยู่ในข่ายแห่งไตรลักษณ์เพราะเหตุว่าพุท ธ, ธะที่บริสุทธินั้นไม่ใช่ไตรลักษณ์จะสลายหรือเปลี่ยนแปลงตัวไปตามโลกสมมติได้อย่างไรแม่ธรรมะจะเปลี่ยนไปบ้างตามสถานที่ ที่พระพุทธเจ้าจะทรงสั่งสอนแก่เวนัยศัตว์ตามมัธยาศัยของบุคคลนั่นนั่นมันเป็นอุบายของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ฉลาดจะทําประโยชน์แก่โลกทุกทุกชั้นที่สมควรจะได้รับประโยชน์ให้ได้รับประโยชน์ตามควรแก่กําลังความสามารถของตนต่างหาไม่ในหมายความว่าธรรมะได้ถูกเปลี่ยนแปลงไป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 เมื่อผู้ปฏิบัติตามศาสนธรรมซึ่งเป็นองค์แทนของศาสตราแล้วกว็เหมือนหนึ่งว่าเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาด้วยข้อปฏิบัติของเรานี่เป็นที่ใกล้คิดพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยิ่ง น, นักไม่มีสิ่งใดจะสนิทคิด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 ธรรมะที่ท่านสอนไว้จะ ก, ก้าวเข้าไปสู่สํานักครูอาจารย์องค์ใดๆก็ย่อมทราบได้ดีในความลึกตื้นหนักเบาของสํานักนั้นๆของครูของอาจารย์องค์นั้นๆแล้วนําเข้ามาแก้ไขดัดแปลงตนได้ทันทีที่ได้ได้รับสัมผัสเช่นนั้นนี่คนประเภทนี้ เหมือนกับลินคอยจะรับรสนับชาติอยู่เสมอใจคอยจะรับรสนับชาติจากธรรมะไม่ยอมปล่อยวางนี่คือผู้จะก้าวหน้าทั้งข้อปฏิบัติทั้งด้านความขยันหมั่นเพียรทั้งด้านความเฉียดแยบฉลาดทั้งความรู้ภายในใจจะมีความเจริญก้าวหน้าเป็นลําดับลำดับ เพราะทำที่กล่าวข้างหลังนี้สนับสนุนท่านนักปฏิบัติทุกๆ ท, ท่านได้เคยผ่านครูผ่านอาจารย์ได้เคยผ่านตำลับตําลาที่ท่านวางไว้เป็นแบบฉบับอันตายตัวมาจํานวนมากได้คิดสนใจกับธรรมะเหล่านั้นกับครูาอาจารย์เหล่านั้นมาเพื่อตัวเองอย่างไรบ้างหรือไม่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 เมื่อเป็นเช่นนั้นธรรมะจะเป็นของผิวเผยผิวเผินหรือหล่อแหละไปอย่างไรนอกจากเราจะเป็นคนเหล่อแหละเป็นคนไม่จริงเป็นคนโยกคลอนอยู่ตลอดเวลาตั้งตัวไม่ได้เป็นคนจับจดทําอะไรไม่จริงไม่จริง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 ปล่อยวางได้ยังไงนักบวชเป็นผู้หยาบช้าละมกจะสอนโลกให้มีให้เป็นคนดีได้ยังไงนักบวชเป็นผู้มีกิเลสตัณหาเต็มไปหมดเืด้อยความจงใจแห่งการสั่งสมกิเลสเองแล้วจะสั่งสอนโลกให้เขาถอดถอนกิเลสจะสั่งสอนเขาได้ยังไงเราต้องคิดพระพุทธเจ้าเป็นแบบของโลกเป็นแบบโดยถูกต้องไม่มีแบบใด จ, จะเสมอเมือนแบบพระพุทธเจ้านำโลก ไม่เช่นนั้นไม่เรียกว่าสัพทาเทวมนุจันทร์นังเป็นครูทั้งในคนทุกชั้นไม่เลือกเป็นครูได้เพราะทําตัวให้เป็นแบบฉบับได้ทางความประพฤติก็ไม่มีใครเสมอเหมือนทางความขายันหมั่นเพียรเอาเป็นเอาตายเอาจริงเอาจังก็ไม่มีใครเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าพุทธพูดถึงการรักษาศีลก็มีความเฉมวดกวดขัน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 นำเนินเดินตามพระพธธุทธเจ้าได้เท่ากี่กวนนั่นนะแบบของโลกเป็นอย่างนั้นแบบของเราจะปฏิบัติเพื่อชุดนาคเราให้ขึ้นจากกล่มลึกซึ่งฝังเคยฝังอยู่ในหัวใจนี่เราจะทำแบบไหนนำแบบไหนมาใช้แบบความอ่อนแอแบบความขี้เกียจ แบบความไม่คิดอ่านแบบเอาตามอำเภอใจนี้ไม่มีในหลักธรรมของพระพทุทธเจ้าว่าเป็นเครื่องจะถอดถอนสิ่งหมักหมหรือจมอยู่ภายในใจนี้ให้ได้ดุดลอยออกไปจากใจมีแต่สอนให้ชั้นทะจงเป็นผู้มีความพอใจในหน้าที่ของตนใครจะเป็นโลกหรือเป็นธรรม ให้เป็นผู้มีความพอใจในหน้าที่ของตนเช่นเราเป็นพระหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างจงทําความขมักขมันทำความพออบพอใจกระยิมยิ้มย่ยอมต่อหน้าที่ของตนโดยไม่คํำนึงถึงความหนักเบาแห่งหน้าที่การงานที่เห็นว่าชอบทําซึ่งตนจะควรกระทําให้สําเร็จนะ <c oughs> วิริยะสอนให้ภคเพียนเพียนทุกทุกวิถีทาง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 ไม่ยอมปล่อยรสชาติของตนให้เป็นอื่นไปฉะนั้นีน่ผู้มีความฝักไปต่อหน้าที่การงานของตนย่อมเป็นเช่นนั้นถ้าผิดจากนั้นแล้วไม่จัดว่าเป็นฉันทะก็เป็นกิตตะวิมังสาเรื่องของกิตแล้วจะคิดทั้งวันทั้งคืนดูเฉยเฉยไม่ได้ ผู้มีวิมังษาแล้วต้องทราบเรื่องความผิดของตนว่าคิดไปในทางที่ถูกหรือผิดพย า, ายามไตร่ตรองทดสอบช่างตวงดูความคิดดูผลที่เกิดขึ้นจากความคิดดูเหตุที่เป็นเหตุให้คิดมีอะไรเป็นสาเหตุถูกหรือผิดต้องตามสอดรู้สมนหน้าที่การงานไม่ว่าภายนอกภายใน้าปราศจากวิมังษาคือความไข้ควแล้วจะไม่สาเร็จเรียบร้อยลงเลยความดีงามเลย เฉพาะอย่างยิ่งคือกิดธุระภายในได้จะกการชำระจิตใจของตนให้มีความสะอาดผ่องใสขึ้นเป็นหนหากปราศจากที่มังสาคือปัญญาแล้วจิตก็จะถื่อไปอย่างนั้นถึงจะ เ, เป็นสมาธิก็เป็นสมาธิแบบถือถอไม่มีความคล่องแคล่วแก้วปลาผ่องใสอาจฐาน <c oughs> ถ้ามี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 นี่คือผู้ปฏิบัติจะปฏิบัติาศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทั้งส่วนตนและส่วนรวมทั้งผู้จัดบำเพ็ญโลกให้มีความเจริญรุ่งเรืองจะหนีจากหลักธรรมทั้งสี่ประเภทนี้ไปไม่ได้จึงควรจะเรียกได้ว่าธรรมทั้งสี่ประเภทนี้คือหลักของโลกและของธรรมโลกกับธรรมจะมีความเจริญรุ่งเรืองไป หากปราศจากทำทั้งสี่ประเภทนี้แล้วจะต้องบกพร่องหรือด้อยในส่วนใดส่วนหนึ่งแน่นอนไม่สมบูรณ์เฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติศาสนาหากขาดทำทั้งสี่ประเภทนี้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะไม่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ทำทั้งสี่ประเภทนี้พระพุทธเจ้าประทานไว้เพื่อใคร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 ย่าเห็นอะไรไม่สำคัญไปเสียทั้งสิ่งที่ทั้งๆ ท, ที่สิ่งเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์สำหรับตัวแต่จะเห็นสิ่งที่เป็นค่าศึกว่าเป็นสิ่งสำคัญนี่ไม่ใช่ทางของนักบวชจะเสาะแสวงหรือสนใจคิดอ่านจนถึงกับต้องทำไปตามอำเภอใจที่คิดขนาด ได้ทำความหนักแน่นนี่เป็นหลักสำคัญผู้หนักแน่นคือผู้มีชั้นอิทธิบาทสิทธิ์ถ้าไม่หนักแน่นแล้วแสดงว่าไม่มีการสั่งสอนหมู่เพื่อนก็รู้สึกว่าเต็มกำลังจะให้มีพามสามารถฉลาดรู้ สอนยิ่งไปกว่าที่เคยสอนมานี่ผมก็ยอมจำนนนูเพื่อนมาอาศัยรับความเป็นสิทธ์เป็นอาจารย์ต่อกันแล้วได้พยายามสอนเต็มกำลังความสามารถไม่มีปิดบังรี้ลับทั้งภายนอกภายในทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดสอนไปหมดและดูอนาคต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 แน่นามันคงหรือบอกแบบวกคอนแครมีช่องโหว่อยู่ที่ตรงไหนหรือรั่วไปหมดทั้งตัวเหมือนอย่างตะกราานีถ้าเราตั้งใจดูก็จะรู้ไม่ถึงกับจำต้องยกขึ้นสู่ต่อไปให้มันไหลลงดับไปเสหมดเหมือนอย่างหม้อที่รั่วนั้นก็ได้ถ้าขนาดนั้นก็รู้สึกจะเหลือประมาทแต่เราจนไม่มีโอกาสจะทราบเรา ว่าเรารั่วขนาดไหนทั้งๆ ท, ที่เราเป็นนักบวดซึ่งเป็นแพทย์ที่ปัจจนาอยู่แล้วเหตุใดจะไม่สามารถความบกพร่องจุดตัวไหลของเราที่จะนำมาแห่งความทุกข์เท้ารนตนอยู่เสมอต้องทราบถ้าตั้งใจพิจจนาสมาธิก็ดีปัญญาก็าดีไม่ว่าขั้นใดถ้ามีหลักอธิบัติทั้งสี่เข้าไปเป็นเครื่องสนับสนุน้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 ท่านอธิบายว่าความฉลาดก็ฉลาดต่อเรื่องของเรานั่นแหละเมื่อพอตัวแล้วความดุดพ้นจากความโง่ก็เป็นขึ้นเองท่าเรียกว่าวิมุตต์จิตถ้ายังมีกิเลสแสงอยู่จะว่าฉลาดเต็มภูมิไม่ได้ในหลักธรรมเมื่อปราทจากสมมุติโดยสิ้นเชิงเมื่อไรแล้วจะว่าฉลาดหรือไม่ฉลาด ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะหมดเรื่องที่จะพูดกันแล้วทั้งตัวเองก็หาที่ตำหนิไม่ได้มีตรู้ทราบไหมถ้าท่านผู้ปฏิบัติไม่สามารถจะทรงตนไว้ได้ด้วยสมาธิด้วยปัญญาจนกระทั่งถึงวิมุติแล้วก็หมดทางสำหรับผู้ที่จะสอนพอพูดถึงเรื่องโอกาส วัสนาหน้าที่การงานเราสมบูรณ์ทุกด้านแล้วที่จะทำได้ทุกๆขณะโดยไม่มีอุปสรรคใดๆมาขีดขวางนอกจากจะนอนอยู่กับความนอนใจเท่านั้นอันนี้สุดวิสัย่ที่จะพูดถึงและที่จะสั่งสอนกัน วันนี้ก็ตนันญูตนได้วันหน้าก็คือคนคนนี้จะหาที่ชมที่ไหนมามีเพราะมาบำเพ็ญธรรมที่ควรจะชมให้ได้เป็นสมบัติเพื่อจะชมตนเองมีแต่เรื่องกตัญญูตัวเองทั้งวันในเอียบทที่เคลื่อนไหวไปมาเราจะหาธรรมที่ควรทุมได้ที่ไหนในตัวของเรานเราต้องคิดพยายามบำเพ็ญตนเองวันนี้ให้ได้มีความชมตนเองอาพยายาม ตลอดไปอีกวันหน้าอีกให้ในระดับวันนี้พยายามเป็นลำดับๆจะมีตั้งแต่ความชมภายในตัวคนเราท่าไร่ของดีแล้วก็มีความได้มีทางจะชมกันเท่านั้นชมจนสุดยอดแห่งความชมภายในใจของเรานี้เท่านั้น